แนะนำบทกุเรชบทกุเรชนี้เป็นบทมักกียามี4องค์การกล่าวถึงความโปรโดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อชาวกูเรชมักกะโดยที่พวกเขามีการเดินทาง2ครั้งต่อ1ปีคือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชามเพื่อทำธุรกิจการค้าอัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่ชาวกุเรช ด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่สองประการคือความโปรดปรานแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขและความโปรดปรานแห่งความมั่งมีและความสะดวกสบายด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรชพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรช เพื่อความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤ ด, ดูหนาวไปเยมเมนและฤ ด, ดูร้อนไปชาดดังนั้นพวกเขาจงเคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกับบะอัลลัีอตุมมินจูอิยูแอมันห์มินขู